จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสบอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรทุกทุกท่านวันนี้เป็นมานางการที่10พุทธศภาคงพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสวสสาวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ผู้มีศรัทธาที่แก่กล้าได้ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญบารมีเพราะเชื่อว่าบุญบารมีนี่แลเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของคนนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าเหตุที่ทำให้พวกเรา ที่มาเกิดในโลกนี้มีความแตกต่างกันไม่ไม่เท่ากันไม่รวยเท่ากันไม่สวยเท่ากันไม่ฉลาดเท่ากันไม่ดีเท่ากันก็เพราะบุญบารามีที่เราได้สร้างกันมาในอนดีตนั้นมีไม่เท่ากันนั่นเองถ้าสร้างบารามีมากมา กดก็จะดีมากฉลาดมากรวยมากสวยมากถ้าสร้างน้อยก็จะมารวยน้อยฉลาดน้อยอสวยน้อยดีน้อยเพราะบุญบารมีนี้เป็นเหตุส่วนความรวยความสวยความฉลาดความดีนี่เป็นผลที่เกิดจาก เหตุคือบุญบารมีนี้เองดังนั้นถ้าเราอยากจะมาเกิดดีและไปดีเราก็ต้องสร้างบุญบารมีให้มากมคือการมาเกิดดีนี้เราเราไปกำหนดไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านไปแล้วมันเรามาเกิดแล้วเราจะดีมากดีน้อยรวยมากรวยน้อย มันก็เป็นไปแล้วอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เรามีฐานะต่างกันรวยต่างกันดีต่างกันสวยต่างกันฉลาดต่างกันแต่อนาคตนี้ธาพบพหน้าชาติน้านี้เราสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้ถ้าเราสร้างบุญบารมีให้มีให้มากขึ้น สร้างได้เท่าไหร่ผลก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นมนุษย์เราจึงมาเกิดจึงมีความแตกต่างกันท่านได้แบ่งไว้เป็นสี่จำพวกด้วยกันคือพวกที่มาดีแล้วก็ไปดีพวกที่มาดีแต่ไปไม่ดีพวกที่มาไม่ดีแต่ไปดีและพวกที่มาไม่ดี และไปไม่ดีนี่คือลักษณะของคนที่มาเกิดในโลกนี้จะมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันพวกที่มาดีและไปดีก็คือพวกที่เคยทำบุญบา ร, รมีมาในอดีตพอมาเกิดก็ได้เกิดดีได้ร่ำรวยได้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามได้มี ความฉลาดได้มีความรอบรู้ในในเรื่องราวต่างๆแล้วพอมาเกิดแล้ว <c oughs> ก็มาสร้างบุญบรารมีต่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาอยู่วัดถือศีลแปดสร้างเนกข ม, มะบรารมีฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาบรารมี ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเวลาตายไปก็จะไปดีไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ก็จะดีกว่าพบนี้ชาตินี้นี่คือลักษณะของคนที่มาดีไปดีเพราะทำแต่บุญบรารมีเสมอไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วที่ผ่านมาก็ดีหรือชาติที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ดี ก็ทำบารมีต่อไปส่วนพวกที่สองคือพวกที่มาดีแต่ไปไม่ดีคือมาเกิดดีร่ำรวยมีความสวยงามมีความฉลาดแต่ขี้เกียจขี้เกียจสร้างบุญบารมีขอขอใช้บุญบารมีไปก่อนยังไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดขอใช้เงินใช้ทองขอเที่ยวขอหาความสุขไปก่อน อย่างนี้เวลาตายไปก็จะไปไม่ดีเพราะว่าไม่ได้สร้างบุญบารมีเอาไว้นั่นเองพวกที่สามคือพวกที่มาไม่ดีแต่ไปดีพวกนี้ในอดีตชาติไม่ได้มีไม่ได้สร้างบุญบารมีมาจึงมาเกิดไม่ค่อยดีมีรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยสวยงามมีสติปัญญาไม่ค่อยฉลาด มีฐานะการเงินที่ไม่ค่อยดียากจนอดอยากขาดแคลนแต่มาได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือได้เกิดในครอบครัวที่ชอบสร้างบุญบารมีก็ทำตามเขาไปพ่อแม่สอนให้สร้างบุญบารมีก็ทำตามพ่อแม่พอโตขึ้นก็ติดเป็นนิสัยก็ทำต่อไป ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมาไม่ดีแต่ไปดีพบหน้าเวลาไปเกิดใหม่ก็จะเกิดดีกว่าพบนี้จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเก่ามีเงินทองมากกว่าเก่ามีความรู้ความฉลาดมากกว่าเก่านี่คือพวกที่มาไม่ดีแต่ไปดีพวกที่สี่คือพวกที่มาไม่ดี และไปไม่ดีคือชาติก่อนก็ไม่ได้สร้างบุญบรารมีพอมาเกิดชาตินี้ก็มาเกิดอดอยากขาดแคลนอาภัพวาสนาแต่ก็ไม่สนใจที่จะสร้างบุญบรารมีพยายามที่จะสร้างบรารมีด้วยการทําบาปทํากรรมเช่นเห็นคนอื่นเขาร่่มรวยอยากจะรวยก็ไปหางิน โดยวิธีไม่ชอบไปชอบโกงไปทำร้ายผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปโกหกหกลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้ร่ำรวยหรือให้มีตำแหน่งสูงสูพ mm hmm. พวอนี้พอตายไปก็จะไปไม่ดีมาไม่ดีแล้วก็ไปไม่ดีเพราะไม่เชื่อบุญบารมีนั่นเอง คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระคิดว่าตายไปแล้วก็ศูน mm hmm. คือร่างกายตายไปแล้วจะไปเกิดใหม่ได้อย่างไรเขาไม่รู้ว่าผู้ที่ไปเกิดใหม่นั้นไม่ใช่ร่างกายแต่ใจผู้เป็นนายของร่างกายผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไว้ทำอะไรต่างๆพอร่างกายนี้ตายไป ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปได้ร่างกายใหม่ไปตามอำนาจของบุญบรารมีถ้ามีบุญบรารมีทำบุญบรารมีไว้ก็จะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเก่ามีความสุขมากกว่าเก่ามีความร่ำรวยมากกว่าเก่านี่คือความแตกต่างของพวกเราที่ เป็นอยู่ในขณะนี้เราไม่ีความแตกต่างกันเราไม่รวยเท่ากันไม่สวยเท่ากันไม่ฉลาดเท่ากันไม่ดีเท่ากันเราอยากจะดีกว่าเกา่าสวยกว่าเกา่ารวยกว่าเกา่าฉลาดกว่าเกา่าเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวอย่างท่านได้ทรงพิสูจน์มาแล้ว ถึงเรื่องของการบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ตัดสรูเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นผลของบุญบารมีที่สูงสุดถ้าเราสร้างบุญบารมีกันไปให้ครบทั้งสิบบารมีในไม่นานเราก็จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า หรือได้เป็นพระอาหารหันตสาวกอย่างแน่นอนและในขณะที่เรายังไม่ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดภพชาติของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เหมือนเดินขึ้นบันไดเหมือนเรียนหนังสือจะขึ้นขึ้นชั้นไปเรื่อยๆจากปหนึ่งก็ขึ้นปอสองจากปอสองก็ขึ้นปสาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นปริปรญญาเอกนี่คือเรื่องของ บุญบารามีเป็นเหมือนกับไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเราเวลาเข้าปอนเองเราอยากจะจบปริญญาเลยนี้ย่อมทาไม่ได้เราเพิ่งเริ่มสร้างบุญบารามีแล้วเห็นคนอื่นเขามีผลบุญบารามีมากมายเราก็อยากจะมีเหมือนเขาเลยนี้มันเป็นไปไม่ได้ความอยากแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจไปเปล่าๆเราต้องอยากสร้างบุญบารมีขอให้คิดว่าเขาได้สร้างบุญบารมีมาก่อนเราม า, มากกว่าเรามานานกว่าเราเขาถึงได้เป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้เราได้เป็นพระสาวกเป็นพระพุทธเจา้าได้เป็นมหาเศรษฐีเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะว่าเขาได้สร้างบุญบารมีมาอย่างโชคโชนแล้วส่วนพวกเราหล่านี้ยังเป็นคนธรรมดาเดินดินอยู่ mm hmm. ก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้สร้างบุญบารมีกันมานั่นเองถ้าเราอยากจะได้เป็นเหมือนกับเขาเราก็ต้องขยันสร้างบุญบารมีกันนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเรา ถ้าเราสร้างมากเท่าไหร่ผลคือบุญบา ร, รมีก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นไม่มีใครสามารถมาเสกมาเป่าให้เราร่ำรวยได้ให้เจริญได้ให้ฉลาดได้ให้สวยงามได้อยู่ที่บุญบา ร, รมีของเราชีวิตของเราจะสั้นจะยาวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมี ชีวิตของเราจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆก็ขึ้นอยู่ที่บุญบา ร, รมีของเราเวลาคนตายเ็าถึงพูดว่าหมดบุญหมดบุญก็คือสร้างบุญมาได้เท่านี้เหมือนกับรถที่เติมน้ำมันมาได้เท่านี้ถ้าเติมได้ครึ่งถังก็เดินไปได้ครึ่งทางถ้าเติมเต็มถังก็จะได้ไปเต็ม ไปถึงจุดหมายปลายทางนี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเชื่ออย่าลังเลสงสัยนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสวาขาโตภะวตาธรรมโอเป็นคำสอนที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วตามหลักของความจริงเหมือนกับที่เขาสอนว่าถ้าเราปลูกปลูกต้นกล้วย เราก็จะได้ผลกล้วยมาปลูกต้นส้มเราก็จะได้ผลส้มมา <c oughs> ฉันใดการปลูกบุญบรารมีก็จะได้ความสุขความเจริญความก้าวหน้านี่เป็นความจริงที่ไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะมาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคำสอนก็จะสอนอย่างนี้เหมือนกันทุกๆพระองค์ อย่างนั้นเราอย่าไปหลอกตัวเราเองว่าไว้รอให้พบกับพระพุทธเจ้าองค์หน้าก่อนแล้วเราค่อยค่อยปฏิบัติตอนนี้เรายังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็คงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะปิดทางของเรา ทำให้เรานี้จะไม่มีโอกาสได้เจริญก้าวหน้าเลยเพราะการที่เราจะกลับมาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธเจ้านี้มันยากยิ่งกว่างอมเข็มในมหาสมุทรสิหลับตามงอมเข็มในมหาสมุทรนี้ยังง่ายกว่าจะได้กลับมาเกิดคราวหน้าได้เป็นพระพได้เป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธเจ้าดังนั้นเราอย่าไปให้ความคิดนี้หลอกเรา เพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดไว้แล้วว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตักไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปจะเป็นาศาสดาแทนตถาคตต่อไปเป็นเหมือนกับว่าตถาคตยังอยู่กับพวกเธอดังนั้นขอให้เราเชื่อในสวัสขาโตพระกัตาธรรมโมนีเถิดเพราะว่า มันเป็นอาการลิโกนั่นเองอาการลิโกก็คือไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาเป็นเป็นอย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่า ง, างนี้อยู่ถ้าเอามาปฏิบัติตามก็จะได้ผลเหมือนกันจะได้บรรลุมรรคผลนผิพพานเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลย ความแตกต่างนั้นอยู่ที่ความเชื่อของผู้ปฏิบัติและความภาคเพียนของผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่มีความเชื่อก็จะไม่มีความภาคเพียนที่จะปฏิบัติแต่ถ้ามีความเชื่อก็จะมีความภาคเพียนที่จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็น สันติโกสันติโกนี้แปลว่าผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามายืนยันไม่ต้องให้คนอื่นมายืนยันเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอเราไปรักษาจากหมอแล้วหมอให้ยามารับประทานเราจะรู้เองว่ายานี้จะรักษาโรคของเราให้หายได้หรือไม่ ด้วยการกินยาเมื่อกินยาเข้าไปแล้วถ้ามันไม่หายก็รู้ว่ายานี้รักษาโรคนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องให้ใครมายืนยันเพราะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำดีละบาปทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ เป็นคำสอนที่เราสามารถพิสูจน์ได้กับตัวเราว่าทำไปแล้วดีหรือไม่อย่างไรบุญบารมีทั้งสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบงเพ็ญกันนี้มีผลอย่างไรอันนี้จะไม่มีความสงสัยในใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิ ปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ปฏิบัติแบบตามใจฉันวันไหนอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนไม่อยากจะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนนี้ต้องตั้งใจปฏิบัติตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่ไปทาอย่างอื่น ถ้าไม่ปฏิบัติเป็นสุ ป, ปฏิปันโนแล้ว <c oughs> โอกาสที่จะได้พบกับผลนี้ <c oughs> ก็จะช้าหรือจะไม่ได้พบเลยดังนั้นเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเอง <c oughs> ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสรนทิฏฐิโกจริงๆเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโน สามีจิตปฏิป น, นุถ้าเราปฏิบัติได้ทั้ง4ประการนี้เราจะพิสูจน์ได้เพราะผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้มาในอดีตและในปัจจุบันนี้ได้พิสูจน์อย่างประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนแล้วว่าเป็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกประการไม่มีอะไรที่ไม่จริงเลย คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะเรามีผู้ยืนยันรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือพระสุปฏิปันโนทั้งหลายนี้เองพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านไม่มีองค์ใดามามาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ไม่เป็นความจริงเลยมีแต่รับรองทุกๆองค์เลยว่าเป็นสว่าดขาตวพระกวตาธรรมโมเป็นอากาลิโกสามารถที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในทุกยุคทุกสมัยยังประโยชน์มาแล้วในอดีตและกำลังยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะยังประโยชน์ต่อไปในอนาคต เพราะไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ต้องเสื่อมไปตามกาลตามเวลาอาหารที่เราซื้อมารับประทานถ้าเราเก็บไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะเสื่อมหมดคุณภาพรับประทานไม่ได้ยาก็เช่นเดียวกันของต่างๆนั้นมันต้องเสื่อมไปตามกาลตามเวลาแต่มี พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาแต่ร่างกายของเรามันจะเสื่อมไปตามกาลตามเวลาเราจึงต้องไม่ประมาทอย่าผัดวันประกัรพรุ่งให้ลำลึกถึงความเสื่อมของร่างกายอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายเราจะแก่ลงไปไเรื่อยเวลาที่เราจะมีโอกาสได้สร้างบุญบารมี ได้ปฏิบัติธรรมก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆให้เดือนสติอย่างนี้อยู่เสมอเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราจะลืมแล้วเราก็จะสูญเสียเวลาอันมีค่าไปพอถึงเวลาใกล้จะตายก็จะร้องหองร้องไห้เศร้าโศกเสียใจที่ไม่ได้สร้างบุญบรารมีไม่ได้ปฏิบัติธรรมในขณะที่มีเวลาอยู่ ตอนนั้นร้องไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครช่วยเราได้แต่เราช่วยเราได้ในขณะนี้ด้วยความไม่ประมาทด้วยการระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเรานี้อาจจะดับอาจจะหยุดไปในวันนี้พุกนี้ก็ได้เรา ก, าก็อยากจะรีบทําบุญ ไม่เชื่อลองไปหาหมอดูถ้าหมอก็บอกว่าเป็นโรคมะเร็งมีอายุเวลาอยู่ไม่เกินสามเดือนตอนนั้นจย่รีบทําบุญเลยพอรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อกับบุญเท่ากับบุญบารามีอย่างอื่นนี้เอาไปไม่ได้ดับทุกข์ภายในใจไม่ได้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าไม่รีบเอามาเปลี่ยนให้เป็นทานบารมีเพื่อที่จะได้เอาติดตัวไปได้ทานบารมีนี้จะติดไปกับเราจะทำให้พบหน้าชาติหน้าของเราสุขสบายมีเงินมีทองคอยรอรับเราอยู่ถ้าสร้างศีลบารมีไปพบหน้าชาติหน้าก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายศีลบารมีนี้จะเป็นตะข่ายหรือเป็นประตู กไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายส่วนในคัมมะบารมีนี้ก็จะทำให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมและไปสู่พระนิพพานต่อไปถ้าเราสร้างปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีนี่จะเป็นบารมีที่จะทำให้จิตของเรานี้ได้ข้าว เข้าไปสู่อริยมรรคอริยภูมิเข้าไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดและบารมีที่จะผลักดันให้เราไปได้ก็คืออธิษฐานบารมีคือความตั้งใจสัจจะบารมีคือความจริงใจวิริยะบารมีคือความขยันและขันติบารมี คือความอดทนเราต้องมีอธิษฐานบารมีคือเราต้องมีความตั้งใจที่จะสร้างบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัด มาสร้างทานบารมีมาสร้างศีลบารมีมาสร้างนิรขมะบารมีสร้างปัญญาบารมีเราก็ต้องมาให้ได้ไม่ใช่พอตื่นขึ้นมาแล้วเกิดมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยไม่อยากจะมาเปลี่ยนใจถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่มีความจริงใจไม่มีสัจจะบารมี ถ้าเรามีสัจจะบาราีแล้วเราตั้งใจจะทำอะไรเราจะต้องทำอย่างแน่นอนยกเว้นที่เป็นเป็นเรื่องของสุดวิสัยเท่านั้นคือล้มป่วยจนกระทั่งลุกขึ้นมาไม่ได้หรือเกิดน้ำท่วมเดินทางมาไม่ได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยแล้ว คนที่มีสัจจะบารมีนี้จะต้องทำตามที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้แล้วถึงจะสำเร็จประโยชน์ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตอนที่ประทับอยู่ใต้ต้นโพก่อนจะตัดสรุพระองค์ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าต่อไปนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ถ้ายังไม่บรรลุยังไม่ตัดสรลิ้จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปโดยเด็ดขาดนี่คือการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีอธิษฐานและมีสัจจะบา ร, รมีต้องตั้งใจที่จะนั่งปฏิบัติไปจนตัดสรูิ้แล้วก็ต้องมีความจริงใจทําตามความตั้งใจของตนถ้ามีทั้งสองส่วนนี้แล้วเราก็จะสามารถ มาวัดได้เมื่อวานนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาวัดทาบุญพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็รีบลุกขึ้นมาเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานจะมีใครมาชวนให้ไปทาอะไรที่อื่นก็ไม่ไปจะมีความรู้สึกที่เกียดก็ไม่ไม่ยอมจะมาให้ได้แล้วก็มาถึงที่นี่ได้ นี่คือเรื่องของอธิษฐานบารมีกับสัจจะบารมีแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบ า, บารมีตามมาเพราะเมื่อตั้งใจแล้วมีความจริงใจแล้วก็ต้องมีความภาคเพียรต้องออกเดินทางมาเดินทางมาจะจะยำบากอย่างไรก็ไม่ท้อถอยก็ต้องมีขันติบารมีขึ้นมาอีกอันหนึ่งนี่คือบาลมีสี่ข้อที่ สำคัญที่จะสนับสนุนการสร้างบารมีข้ออื่นๆคือทานบารมีศีลบารมีเนืขัมะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีอยู่ที่อธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีอย่างที่ท่านทั้งหลายได้กำลังบําเพ็ญในขณะนี้ ท่ากนกำลังบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ขอให้ท่านมีความามั่นคงต่อการบรรําเพ็ญบุญบา ร, รมีเหล่านี้และขอให้ทําให้มากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นตอนนี้ทําการเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งวันต่อไปต้องทําทุกวันให้ได้ถึงจะได้ผลเร็วและจะได้ผลมากถ้าทําอย่างนี้ จะได้ผลช้าและจะได้ผลน้อยแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ทำเลยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบา ร, รมีเพื่อชีวิตที่จะดีกว่าเก่านี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินิษฐ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไป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 โดยทั่วหน้าการเธอ